สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยหนึ่งสองศูย์หนึ่งครับสิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่หนึ่งครับ พ, พระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่สี่ข้อที่สามสิบห้าถึงข้อที่สี่สิบเอ็ดมาระโกบทที่สี่ข้อที่สาสิบห้าถึงข้อที่สี่สิบเอ็ดโปรดฟังพระจ้ะของพระเจ้าเย็นวันนั้น พระองค์ได้ตรัสแกเหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโนนเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เฉด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือ จ, นอจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าค่ะ ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแกทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน พี่น้องครับในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจครับสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือธรรมชาติสิทธิอำนาจแปลว่าอะไรครับสิทธิอำนาจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า authority, authority authority นี้แปลว่าคือเป็นผู้ที่มีอำนาจครับและเป็นผู้ที่มีสิทธินะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับพระเยซูทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุด ในพระัมพีตอนนี้มรารโกกล่าวว่าเป็นเวลาเย็นเปเยซูชวนสาวกให้ลงเรือไปอยังอีกฟากหนึ่งของทะเลกาลรลีเรามารู้จักทะเลกาเรลีกันนะครับทะเลกาเรลีนั่นเป็นทะเลสาบน้ำจืดครับแม้ว่าชื่อของมันนั้นชื่อว่าซีเพราะว่าขนาดนั้นเป็นขนาดที่ใหญ่กว้างนะครับยี่สิบจุดแปดนะครับแล้วก็ขอโทษครับยาวยี่สิบจุดแปดนะครับและกว้างสิบสองจุดแปดพี่น้องครับ ความลึกของมันนะครับบางที่ที่ลึกที่สุดนั้นลึกถึง400เมตรเลยทีเดียวและก็เป็นทะเลที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับถึง400เมตรเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าภูมิประเทศของอิสราเอลนะครับทางด้านขวามือนะครับหรือทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอแดนหรือทะเลสาบกิลีนั้ น, น ก็เป็นที่ลับสูงครับสูงมากครับที่รัที่สูงโกลันนะครับส่วนทางด้านตะวันตกของทะเลเกรี่หรือของแม่น้ําจอแดนก็จะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับความต่างของระดับสูงนะครับความสูงนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะเนื่องจากว่าเป็นการแยกของเรียกว่าเป็นหลบนะครับเป็นหลบของแผ่นดินนะครับและหลบแผ่นดินนี่นะครับมันก็จะเป็นรอยยาวไปนะครับ รอยยาวไปจนกระทั่งถึงทะเลทายซีนายเลยทีเดียวพี่น้องครับหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่แผ่นดินแห่งพนันัญญานะครับเขาก็จะมีการอธิบายถึงภูมิประเทศนะครับว่าทําไมทะเลสาบเกลียนั้นจึงเป็นทะเลที่น่าสนใจและขอบคุณพระเจ้าครับที่เรื่องราวต่างๆก็เกิดรอบทะเลสาบเกลียดพี่น้อครับทะเลสาบเกลียนั้นมี สี่ชื่อเลยกันนะครับและใช้เรียกในยุคต่างๆกันนะครับสี่ชื่อชื่อแรกคือทะเลสาบเยเนเซเรตนะครับเป็นชื่อทางภาษาฮีบรูนะครับชื่อที่สองก็คือคินเนเรตนะครับซึ่งแปลว่าพินครับเพราะว่าดูเผลนเผยนะครับรูปร่างภายนอกของทะเลสาบนี้ตามแผนที่นะครับก็จะเหมือนกับพินครับนะครับ คีโนแปลว่าผินครับชื่อที่สามครับก็คือชื่อทะเลทิเบเรียสนะครับที่เบเรียสหรือที่เบริอุสนะครับก็จะเป็นชื่อทางละตินนะครับและชื่อสุดท้ายก็คือเทะเลสาบแกลิลีนเองพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูครับว่าพระเยซูนั้นทรงมีสิทธิอํานาจเหนือธรรมชาติก็คืออยู่เนื้อทะเลนะครับเพราะเนื่องจากว่า เกิดพายุใหญ่กลางทะเลแกลลี่เนื่องจากมีเนินเขาต่างๆรอบๆนะครับปกติเลยปกตินะครับทะเลสาบนี้จะสงบมากเราเคยไปล่องเรือนะครับที่อยู่ในทะเลสาบนี้นะครับแทบจะไม่มีคลื่นเลยนะครับนิ่งและก็สวยงามมากยังไงก็ตามครับทะเลนี้ก็สามารถเกิดพายุขึ้นได้อย่างฉับพลันโดยที่มีลมร้อนจากทะเลสาบพัดขึ้นมา ปะทะกับลมเย็นทางภูเขาแตะตะวันออกครับคําภาษากรีกนะครับที่ใช้ในมารัโกบทที่สี่ข้อสาสิบเจ็ดนี้เป็นคําเดียวกันกับที่ใช้กับพายุเฮอริเคนหรือพายุไต้ฝุ่นเตือนครับแสดงว่าการประทะกันนะครับระหว่างลมเย็นลมร้อ น, นะครับค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะครับบันทึกของลูกาได้เล่าว่าบังเกิดพายุใหญ่พายุกล้ากลางทะเล นะครับมาระโกกล่าวว่าพายุใหญ่บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนจนเรือจนจะเต็มไปด้วยน้ําทะเล <c oughs> นะครับพระเยซูทํำอะไรครับพระเยซูบรรทมหลับอยู่มาระโกเพียงเล่มเดียวครับที่กล่าวว่าพระเยซูกําลังบรรทมหลับอยู่ท้ายเรือนะครับเป็นที่ที่พระเยซูหนุนหมอนนอนหลับอยู่ที่นั่น ท้ายเรือที่นี่เป็นที่นั่งสําหรับบุคคลสําคัญครับและจะมักจะมีหมอนให้หนุนด้วยใกล้ๆอยู่เป็นที่นั่งสําหรับนายท้ายเรือซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลทิศทางของเรือสาวกปุกพระเยซูครับและทูลพงว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะจมอยู่แล้วท่านไม่ห่วงบ้างหรือในพระธรรมมัทธิวพวกเขาทูลขอให้พระเยซูช่วยด้วยเหล่าสาวกกลัวมากครับเห็นได้ชัดว่าชาวประมงบนเรือนั้นไม่สามารถที่จะสู้กับพายุ และเรือก็กําลังจมเพราะน้ำมันซัดเข้ามาเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพระเยซูก็ลุกขึ้นครับตรัดห้ามลมและพายุนะครับพระเยซูสั่งทะเลว่าจงสงบเถิดนะครับคำกรีกที่ใช้สำหรับคำสั่งนี้มีความหมายว่าทะเลเอ๋ยฮุบปากของเจ้าเสียนี่คือคำแปลภาษากรีกนะครับให้ฮุบปากเสียนะครับตรงกับความหมายกับว่า งสงบเถิดพายุก็สงบลงครับท้องทะเลก็สงบเงียบจริงๆพระเยซูตรัสตำหนิสาวกของพระองค์ว่าทำไมเจ้ากลัวจะไม่มีความเชื่อเลยหรือพี่น้องครับเหล่าสาวกยังไม่เข้าใจที่ว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกับเหนือโครคภัยไข้เจ็บครับพวกเขาได้เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์โดยการรักษาโรคมาแล้วหลายครั้งแต่นี่เป็นการอัศจรรย์เหนือลมพายุนะครับ เหนือท้องทะเลมัทิวข้อยี่สิบเจ็ดนะครับบันทึกไว้ว่าคนเหล่านี้ก็อัศจรรย์ใจครับและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอหรือท่านผู้นี้เป็นอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านพี่น้องครับเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจครับพระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้าและทรงเป็นทั้งมนุษย์ไ ป, ปพร้อมๆกัน ไม่มีใครที่จะสามารถเป็นอย่างนี้ได้นะครับเว้นไว้แต่พระเยซูเนื่องจากพระเยซูทรงเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายและบรรทมหลับไปแต่เมื่อเกิดพายุใหญ่เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับจึงสามารถทําได้ทุกอย่างครับรวมทั้งทําให้พายุสงบลงได้เพียงครับในชีวิตของพวกเราหลายๆครั้งอาจจะมีคลื่นลมแรงครับพัดเข้ามากระทบกับชีวิตของเราครับหลายๆครั้ง นาวาชีวิตของเราหรือเรือชีวิตของเรานั้นเกลือบแะล้มอยู่แล้วเพราะว่าเจอมรสุมใหญ่เจอวิกฤตการใหญ่เจอปัญหาใหญ่เจอความทุกข์ใหญ่คนที่เรารักอาจจะกำลังจะเสียชีวิตคนที่เรารักอาจจะกำลังเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคร้ายคนที่เราเป็นห่วงหลายๆครั้งเขาก็ ไม่สามารถทำให้เราหายห่วงได้พี่น้องครับนี่คือมรสุมชีวิตที่พัดเข้ามาแต่เราอย่าลืมนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูสามารถที่จะมีสิทธิอำนาจเหนือมรสุมชีวิตของเราเมื่อทะเลต้องพบมรสุมมีมรสุมเมื่อชีวิตต้องพบมรสุมแปรปรวนพระเยซูรทรงช่วยได้ครับ เพียงคำให้เราไว้วางใจพระเยซูอีกประการหนึ่งก็คือเราจะรู้นะครับว่าพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แต่เมื่อเกิดพายุใหญ่พระองค์สามารถทําให้พายุสงบได้ดูเหมือนว่าในแต่ละวันแต่ละวันพระเยซูอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มีนัยสําคัญครับ อาจจะไม่ได้ทําอะไรที่เป็นกนารอัศจรรย์เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราและเราไม่รู้สึกว่าสิ่งต่างที่เกิดตามธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องอศัศจรรย์แท้จริงแล้วพระองค์ควบคุมชีวิตของเราอยู่ครับทรงควบคุมทุกๆเซลล์ของเราอยู่ครับไม่มีเซลล์ไหนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแปลเปลี่ยนหรือพาเราไปเป็นมะเร็งได้เลย ถ้าพระเยซูไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแต่พระเยซูทรงทราบครับว่าหลายครั้งทีเดียวครับเราท่อแท้ท้อถอยเราไม่ได้นึกถึงพระองค์แต่เมื่อเรานึกถึงพระองค์เมื่อไหร่ครับเราต้องรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะมีสิทธิทีอำนาจเหนือธรรมชาติทุกอย่างและโลครคภัยไข้เจ็บได้จงกรับหากชีวิตของเรามีมรสุมชีวิตมีปัญหาชีวิตครับพายุใหญ่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ให้เราพึ่งพาพระเยซูครับให้เราร้องทูลพระเยซูและที่สำคัญที่สุดก็คื อ, คอจงมีความเชื่อครับไม่ต้องกลัวเราจะต้องมีความเชื่อว่าพระเยซูทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราให้กับญาติพี่น้องของเราให้กับคนที่เรารักเสมออามน